ท่านประโยชคาวาจรทั้งหลายเวลานี้ทุกท่านได้สมาทานพระกรรมฐ า, านแล้วหลังจากนี้ไปขอทุกท่านให้ตั้งอิริยาบถอยตามสมควรเพราะว่าการปฏิบัติในสถานที่ของตนก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องนั่งคตธรมะจะปั้บเพียบอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ ถ้าจะอยู่ในอนริยาบทนั่งแบบไหนก็ได้จะนอนก็นได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้ให้เป็นไปตามความประสงค์อย่าให้เครียดสำหรับวิธีตั้งอารมณ์ในตอนหกข่ำความจริงก่อนจะคข่ำทุกท่านมีการเครียดจากการงานมาตลอดวันเจนั้นเวลานี้ อันดับแรกการเริ่มต้นให้ใช้การระงับกรรยายสังขารด้วยอา น, นาปานุสติสําหรับอา น, นาปานุสตินี่บรรดาท่านทั้งหลายอย่าทิ้งเพราะเป็นกรรมฐานใหญ่คือการกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกถือว่าเป็นการระงับความเหนื่อยและตัก อ, อีกประการนี้สองจงอย่าสร้างอารมณ์ให้เครียด เมื่อทรงอารมณ์นาปานุสติได้ตามสมควรแล้วหลังจากนั้นก็ใช้กําลังของจิตพิจารณาตามความเป็นจริงในด้านของอริยสัจอริยสัจพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นปัจจัยของความทุกข์อันดับแรกเราก็หันมาดูร่างกายของเราก่อน ร่างกายของเรานี้ตั้งแต่ เ, เกิดมามันมีความสุขและมีความทุกข์ทุกคนเห็นว่ามันมีแต่ความทุกข์พอลืมตาขึ้นมาใหม่ๆเราก็พบกับความทุกข์นั่นคือความลำคาญ ร, ร่างกายำาากลำคาญปากลำคานตาต้องล้างหน้าล้างตาดีไม่ดีความทุกข์ก็ขับเราเข้าห้องน้ำห้องสวง้วม หลังจากนั้นตอนสายหน่อยความทุกข์ก็เกิดจากความหิวต่อไปความทุกข์จะเกิดจากการกระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจหรือความป่วยไข้มาสบายคลื่นคลายเข้ามาก็เป็นความทุกข์ร่างกายไม่มีการข้องตัวเพราะใช้ความเพลิงแก่และร่างกายไม่ปกติก็ทุกข์ความพัดพลาดจ้าของรักของชอบใจก็ทุกข์ความตายก็ทุกข์ รวมความในโลกนี้ทั้งโลกไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขร่างกายเราก็นํามาซึ่งความทุกข์ร่างกายคนอื่นก็นํามาซึ่งความทุกข์วัตถุธาตุตา่ตางๆที่เราได้มาเราดีใจแต่ว่ามันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ได้มาแล้วเกรงจะเก่าเกรงว่าจะสลายตัวอันนี้ก็เป็นปัจจัยของความทุกข์เหมือนกันความห่วงใหญ่ ดังนั้นขอบรรดาเพื่อนบิณฑบาตสมเด็จทั้งหลายพึงทราบสมบัติของโลกนอกจากจะนําความทุกข์มาให้ในที่สุดมันก็นําความสหลายตัวมาให้อย่างทรัพย์สมบัติทั้งหลายได้มาก็หมดไปร่างกายของเรามีอยู่มีแล้วก็ตายไปแต่การตายไม่เยื่อสูนตามที่ท่านบางท่านพูด พระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าการตายไม่สูญทำดีไปสู่สุคติทำชั่วไปสู่ทุกติขอทุกท่านตัดสินใจเดินทางตามางความดีทางที่นำมาถึงความสุขและก็ทำจิตให้มีการทรงตัวนั่นหมายความเราพบแต่สุขอย่างเดียวจึงกว่าจะเข้านิพพาน เราจะไม่พบกระแดนทุเคืออบบยภูมิทั้งสี่มีสัตว์นรกเปรตสุรกายสัตติฉานเป็นต้นเราจะทำยังไงอันดับแรกก็มัรนดาพระโยคาวจรทุกคนมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันต้องตายถ้าตายแล้วเราจะไม่ไปอบายภูมิ ใจจิตยอมรับนับถือคุณความดีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็ทำพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งแน่นอนทำใจให้มั่นคงในคุณพระปรตรัยสนานคมและก็ส่งสินประจำตนให้บริสุทธิ์ระสินสองรยีสมันเนนสินสิบอุบาสกอุบาสิกาสินห้าหรือสิน8ปดตามอัจิยะัย ประวัตมีความชิ้นห้าเป็นมีความสําคัญส่งอารมณ์ให้ได้ตามนี้แล้วก็จิตใจตั้งไว้เพื่อนิพานโดยเฉพาะว่าขึ้นชี่วรารค า, ายนี้มันพังเมรัยเขไปนิพานจุดเดียวในเมื่อเราตั้งอารมณ์ไว้อย่างนี้แล้วก็ต้องส่งอารมณ์ทําอารมณ์ให้ส่งตัวนั่นอันดับแรกจงอย่าสนใจในจริยาของบุคคลอื่น ใครเขาจะดีใครเขาจะเลวก็ช่างเขา <c oughs> เราทรงกำลังใจของเราให้ปกติถ้าเราไปสนใจกับคนอื่นเรายังติคนอื่ น, สนแสดงว่าเรายังเลวถ้าเรามีความเลวมากแล้วก็นินทาคนอื่นมากแล้วก็ติคนอื่นมากถ้าเรามีความเลวน้อยก็นินทาคนน้อยติคนอื่นน้อย ถ้าเราไม่มีความเร็วเลยแล้วก็ไม่นินทาว่าร้ายใครไม่ตำหนิใครดูตัวอย่างองคสมเด็จพระจอมไตรพระองค์ไม่เคยตำหนิใครที่ร้ายเหตุผลเว้นไว้แต่สาเหตุขององสมเด็จพระทศพลที่พระองค์รงหวังดีถ้าทำพราชพระองค์ก็ทรงติทรงแนะแต่ว่าติเพื่อก่อนแนะเพื่อก่อไม่ใช่หวังการทำลาย กำลังใจส่วนนี้บรรดาท่างพุทธบริษัทนั้นหลายถ้าสรงได้สมเด็จไปจอมใจทีว่าท่านทรงสเก็ดอยู่ในด้านของความดีในพระพุทธศาสนาต่อไปก็รักษากําลังใจได้กับพี่ให้ทรงตัวนั่นก็คือหนึ่งเราจะไม่ทําลายศีลในตนเองสองจะไม่ยุยงส่งเสริมบุคคลอื่นให้ทําลายศีล สามไม่ยินดีเมื่อ้ว่าคนอื่นทําลายศินแล้วและข้อต่อไปเราจะไม่ยอมให้นิวรห้าประการเข้ามาครอบงําจิตในเวลาที่ทําเราทาสมาธิหรือวิปัสสนาญาณ น, นิวรห้าประการคือความรักในระหว่างเพศถ้ามันเกิดขึ้นใช้กายยตาณสติก็อสุปกรรมฐานเข้าตัดทันทีแล้วก็โทสะหรือความไม่ชอบใจ ถ้ามันเกิดขึ้นใช้ประมีหารสี่แล้วก็หรือก็สินสี่อย่างใดอย่างหนึ่งที่ศึกษามนแล้วเข้าตัดทันทีเราจะไม่ยอมความง่วงให้เกิดขึ้นทำจิตใจเข้มแข็งจะรักษากำลังใจให้ทรงตัวไม่วอกเวกสายเกินไป <c oughs> ไม่ยอมใม่ ก, กระสับกระส่ายเกินไปเราจะไม่สงสัยในผลความดี หลังจากนั้นแผนไม่ตายไม่แตกจะกวาลทั้งปว <c oughs> งทำความรู้สึกว่าเราจะหวังดีกับคนสัตว์ทัโลกมีความรักเขาเท่ากับรักตัวเราราถนาในการเกือ้อกูลเขาเท่ากับเราสงเคราะห์ตัวเราเองเราจะไม่ชาดิสยาใครเมื่อคนอื่นได้ดีเรายินดีด้วยเราจะไม่ซ้ำเติมเมื่อคคอื่นเป็งพรำ <c oughs> การทรงกำลังใจด้านนี้ท่านเรียกว่าเข้าถึงเปลือกความดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเปลือกความดีถ้าเราทรงได้จิตใจจะเยือกขินอารมณ์จะเป็นสุขการทรงฌานสมาบัติขบรรดาท่านพุทธบริสัทธ์ทพโยข่าวจรจะมีการทรงตัวอารมณ์ใจจะไม่เคลื่อนไหวนอกจากฌานนั้สมาธิหรืออารมณ์ที่เป็นกุศลแกนั้นขอบรรดาท่านพุทธศาสานิกชน และพระโยคาวาจรทุกท่านต้องรักษารมนี้ตลอดวัน <c oughs> ชาญสมาบัตยานต่างๆที่ได้จะทรงตัวหลังจากนั้นทบทวนทิพยุจุญานก็ดีปุพีนิวาสานุตยานก็ดีาาา ก, ดการพบผูพระพุทธเจ้าพระอริยรสงฆ์เทวดาเทพรหมและการถอยหลังและลึกชาติเป็นการตัดกิเลสและการหลงจากความโกรธ ตัดมานะการถือตัวถือตนสร้างอารมณ์ให้ปกติทําให้แจ่มใสจิตใจตั้งไว้โดยเฉพาะที่นิพพานยึดพระนิพพานเป็นที่มัน่นตั้งใจไว้เสมอ่ร่างกายนิสลายตัวเมื่อไรความพอใจในการเกิดเป็นมนุษย์ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรมคนดีจะไม่มีสําหรับเราจุดที่เราต้องการจริงๆนั่นก็คือพระนิพพาน เมื่อบันดาแต่พุทธบริสัทตัดสินใจกำลังใจตามนี้แล้วนั้นหลังจากนี้ไปท่านจะใช้คำบรรณาว่าอย่างไรหรือพิจารณาว่าอย่างไรให้เป็นไปตามอัิยาสายของท่านพยายามชำระใจให้สะอาดที่สุดเมื่อจิตใจสะอาดดีแล้วจับพระรูปไปโฉมก็องสมเด็จพระประทีแก้วแล้วตั้งใจไปตั้งตรงไว้ที่นิพพานโดยเฉพาะ จนกว่าจะหมดเวลาสําหรับเวลานี้จะตั้งเวลาให้บรรดาพระผู้กลุมเสียงตั้งเวลาไว้แค่สองทุ่มตรงเมื่อถึงเวลาสองทุ่มตรงก็จะไปเปิดแผ่นเสียงโอทิสส่งสนหลังจากนั้นบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนก็อยู่ตามอธัธยาศัยที่เห็นว่าสบายหรือว่าแบบไหนสบายทําตามนั้นท่านจะภาวนาต่อไปพิจารณาต่อไปรีบไปกําลังใจให้เป็นสุข <c oughs> ราจารมีความกังวลได้ก็ยิางดีอารามันดาจานพุทธบริษัททั้งหลายโดยทนนาเวลาที่อยากพูดก็หมดแล้วก็ขอยุติพระตะเพียงตรงนี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนาบางคนความประสงค์สมผลในการที่จะมรุมักผลเข้าถึงปฏิพพานจงมีแด่ทุกท่านในชาติปัจจุบันนี้เถิด